เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นหนึ่งๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอันตราปรินิพพายีภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นบุคคลจำพวกที่สผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. บุคคลบางคนในโลกนี้และถึงจึงเป็นอุปหั จ, จปรินิพพายีและถึง 5. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นอสังขารปรินิพพายี 6.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 ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่เจ็ดผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนิพพานสูตรที่เกจบ10นิทัศวัตุสูตรว่าด้วย นิทัศวัตถุภิกษุทั้งหลายนิทัศวัตถุเหตุให้ได้ชื่อว่าผู้ไม่มีอายุสิปี7ประการนี้นิทัศวัตถุเจประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานศิกขาและได้ความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป 2. เป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญทมและได้ความรักในการใคร่ครวญทมต่อไป 3. เป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการกําจัดความอยากและได้ความรักในการกําจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและได้ความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารบความเพียนและได้ความรักในการปรารบความเพียนต่อไป 6. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและได้ความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไป 7. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและได้ความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปภิกษุทั้งหลาย นิทสะวัตุเจ็ประการนี้แลนิทสะวัตุสูตรที่10จบอนุสยะวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมอนุสยะสูตร 2. ทุติยะอนุสยะสูตร 3. กุลสูตร 4. ปุคละสูตร 5. อุทกูปูปมาสูตร 6. อ น, นิจจานุปัสสีสูตรเจ็ดทุกคานุปัสสีสูตรแปดอนัตตานุปัสสีสูตรเก้านิพพานสูตรสิบนิทัศวัตถุสูตร วัชิสัตกกวักหมวดว่าด้วยทำเจ็บระการของชาววัชีหนึ่งสารันทสูตรว่าด้วยการแสดงอปริหานิยธรรมที่สารันทเจดีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสารันทเจดีเขกรุงเวสาลีครั้งนั้น เจ้าลิชวีหลายองค์ได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับถวายอภิวาสแล้วพระทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นดังนี้ว่าเจ้าลิษวีทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจตประการแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเจ้าลิชวีเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายอาปริหานิยธรรมเจตประการอะไรบ้างเคยหนึ่งพวกเจ้าวัดชีพึงได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง 2. พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงการเลิกประชุมและพร้อมเพรียงการทากิจที่พวกเจ้าวัชีพึงทํา3พวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัต <fficients> <ideas> ิมั่นในวัชีธรรมที่วางไว้เดิม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 เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไปเจพวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่าทำอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราและท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุ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 วัสการสูตรว่าด้วยวัสการพราหม์ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาขิจขูดเขตกรุงราชครึกสมัยนั้นพระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีรับสั่งว่า เราจะโค่นล้มพวกเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับพระราชาแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าอาชาสตรูเวเทหิบุตรจึงรับสั่งเรียกวัสการพราหม์มหาอมาตคว้นมคตมาตรัสว่ามาเถิดพราหม์ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทด้วยเสียรกล้าวแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระปล่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรีกระปลามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สาราญ และท่านจงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าอาชาสตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีมีรับสั่งอย่างนี้ว่าเราจะค้นล้มพูกเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับพระผู้มีพระภาคทรงพยากร์แก่ท่านอย่างไรท่านพึงจำคาพยากรนั้นให้ดี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 พระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรขอกราพระยุคลบาทของพระโคดมด้วยพระเสียรทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีมีรับสั่งอย่างนี้ว่า เราจะโค้นล้มพวกเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พี่นาฏย่อยยับสมัยนั้นท่านพระอนนท์ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ณเบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอนนท์มาตร า, ถถามว่าอานนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัชีมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว an ่าพวกเจ้าวัชีมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้งอานนท์พวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้งอานนท์เธอได้ยินหมว่าพวกเจ้าวัชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัชีพึงทําข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัชีพึงทําอานน์พวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเปรียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัชีพึงทำอานน์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัชีไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเถอปฏิบัติมั่นในวัชีธรรมที่วางไว้เดิมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว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 นับถือบูชาเจ้าวัชีผู้มีพระชนมายุมากของชาวาชวัชี <c oughs> และสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าผู้เจ้าวัชีสักกะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟังอานนท์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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีไม่ฉุดข้าเขืนใจคุณสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วยอานนท์พวกเจ้าวัชีพิงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังไม่ฉุดข่าเขืนใจคุณสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วยอานนท์เธอได้ยินไหมว่า พวกเจ้าวัชีสักระเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นวัชีของชาววัชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชีสักระเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นวัชีของชาววัชี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 และไม่ละเลยการบูชาชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไปอานนท์เธอได้ยินหม่ว่าพวกเจ้าวัชีจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่าทำอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก ข, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ป้องการพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่าทาอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แวนแควนของเราและท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างพาสดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งวัสการพราหม์มหาอมหาแค้นมคดว่าพราหมณ์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทเจดีเขตกรุงเวสาลี ได้แสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการนี้แก่พวกเจ้าวัชีพวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังมีอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่วัชการพราหมณ์มหาอมาตคว้นมคธกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดม พวกเจ้าวัชีมีอปริหานิยธรรมแม้เพียงประการเดียวก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยไม่จำต้องกล่าวว่ามีครบทั้งเจ็ดประการข้าแต่ท่านพระโคโดมพระราชาแห่งแขวนมคลิพระนามว่าอาชาสตรูเวเทหิบุตรไม่ควรทำสงครามกับพวกเจ้าวัชีนอกจากจะใช้วิธีรองดองทางการทูตหรือไม่ก็ทำให้แตกสมคีกัน ข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าอย่างนั้นบัดนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทําอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ท่านจงกําหนดเวลาที่สมควรนะบัดนี้เถิดจากนั้นวสการพราหมณ์มหาอมาตแคว้นมคตมีใจยินดีชื่นชมพระดารัสของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วจากไป วสการสูตรที่สองจบ 3. ปฐมมาสัตตะสูต ร, ตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมเจ็ประการสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ภิกษุทั้งหลายอาปริหานิยธรรมเจประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และร้อมเพลียงกันทํากิจที่สงพึงธรรามภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่บัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัตยยิไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่เราบัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นในศิกขาบทที่บัญญัติไว้ 4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังสักกะ เคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญยู่บวชมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปริณายกและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหาก่อให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว 6. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะป่า 7. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุตั้งสติมั่นไว้ในภายในว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มาขอให้มาและท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่พระธมะสตกะสูตรที่สจบ 4. ทุติยสตกะสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมเจ็ประการสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย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 ติะสตกะสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมเจประการสูตรที่สภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจประการแก่เธอทั้งหลายละถึงอปริหานิยธรรมเจประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีศรัทธา 2.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 ตราบเท่าที่ภิกษุยังปรารบความเพียร 6. ภพิษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังมีสติตั้งมั่น 7. ภิกพิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังมีปัญญาพิกษุทั้งหลายพิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่ตติยะสตักะสูตรที่หจบ 6. โพ่อชังคสูตรว่าด้วยโพ่อชงที่เป็นอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายเรจาจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการแก่เธอทั้งหลายละถึง อภริหานี้ทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษพิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังเจริญสติสัมโพชงรม ท, ที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังเจริญธรรมวิจยสัมโูชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมสามพิสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกสุยังเจริญวิริยะสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ภิพิสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกสุยังเจริญปีติสัมโพชง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 ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอุบเบกขาสมโพชชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังมีอป ร, ริหานิยธรรมทั้ง7ประการ น, นี้อยู่ และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่พ่อชังคสูตรที่หจบ7สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาที่เป็นอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการแก่เธอทั้งหลายและถึงอปริหานิยธรรมเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 ตราบเท่าที่พิกษุยังเจริญอสุภะสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พิกษุยังเจริญอทีนวะสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิษุยังเจริญปหาณะสัญญา กำหนดหมายเพื่อละอากุศลลวิตกและบาปทำทั้งหลาย 6. ภิิสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิสุยังเจริญวิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 7. ภิกษสุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิสุยังเจริญนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่า เป็นรำละเอียดประณีตภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอริริยธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่และใส่ใจอริริยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่สัญญาสู่ที่เจ็ดจบ คมมปริหานิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถเบนิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัติณนะที่นั่นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ทำเจ็ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสคะ่ะทำเจประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยมู่ 5. ความเป็นผู้มีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 7. กิจที่สงจะต้องทำมีอยู่ในสงภิกษุผู้เป็นเสขะไม่เห็นประจักษ์ในกิจนั้นอย่างนี้ว่าพระเทระผู้เป็นรัตัอยู่บวชมานานเป็นผู้รับภาระมีอยู่ในสงท่านเหล่านั้นจะปรากฏ ด, ด้วยกิจนั้นจึงต้องขนควายด้วยตนเองภิกษุทั้งหลาย ทำเจตประการ น, นี้แหละย่อมเป็นไป mm. เพื่อความเสื่อมแก nah, ่ภิกษุผู้เป็นเซฆะภิกษุทั้งหลายทำเจประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซฆะทำเจประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 7. กิจที่สงจะต้องทำมีอยู่ในสงภิกษุผู้เป็นเสะเห็นประจักษ์ในกิจนั้นอย่างนี้ว่าพระเถระผู้เป็นรัตัญูบวชมานานเป็นผู้รับภาระมีอยู่ในสง ท่านเหล่านั้นจะปรากฏด้วยกิจนั้นจึงไม่ต้องขวนขวายด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายทำเจ็ตประการ น, นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซกะปฐมมัปริหานิสูตรที่8จบ 9. ทุติยะปริหานิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย ทำเจตประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสกทำเจประการอะไรบ้างคือ 1. และเลยการเยี่ยมเยียนภิกสุ 2. ทอดทิ้งการฟังสัจธรรมสไม่ศึกษาในอธิศีล 4. ีไม่มีความเลื่อมใสามากในภิกสุผู้เป็นเทระผู้เป็นนวั ก, กะและผู้เป็นมชิมะ 5. ฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษ แสวงหาผู้รับทักษินานอกาศาสนานี้เจ็ดทำอุปการะนอกาศาสนาก่อนภิกษุทั้งหลายทำเจประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสกภิกษุทั้งหลายทำเจประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสกทำเจประการอะไรบ้างคือหนึ่งไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุ 2. ไม่ทอดทิ้งการฟังสัตธรรมสมศึกษาในอธิศีล 4. มีความเลื่อมใสามากในภิกษุผู้เป็นเทระผู้เป็นนวกะและผู้เป็นมัชฌิมะ 5. ฟังธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษ 6. ไม่แสวงหาผู้รับทักษินานอกาศาสนานี้ 7. ทำอุปการะในาศาสนานี้ก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำเจบประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภพาสินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าอุบาสกใดละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนทอดทิ้งการฟังอริยธรรมไม่ศึกษาในอธิศีลไม่มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลาย ปราถนาฟังสัตยธรรมอย่างคอยคิดโต้แยง้งแสวงหาผู้รับทักษินานอกาศาสนานี้และทำอุปการะนอกาศาสนาก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพทมเจตประการอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แลย่อมเสื่อมจากสัตยธรรมส่วนอุบาสกใดไม่ละเลยการยิ่มเย็นภิกษุผู้อบรมตนไม่ทอดทิ้งการฟังอริยธรรมศึกษาในอธิศี มีความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปรารถนาฟังสัตยธรรมยังไม่คอยคิดโต้แย้งไม่สแสวงหาผู้รับทักษินานอกาศาสนานี้และทำอุปการะในาศาสนานี้ก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพธรรมเจประการอันไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แหลย่อมไม่เสื่อมจากสัตยธรรมทุติยะปริหารนิสูที่เกจบสิบ วิปัสสูรว่าด้วยวิบัติและสมบัติของอุบาสกภิกษุทั้งหลายวิบัติของอุบาสก7ประการนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายสมบัติของอุบาสก7ประการนี้ละถึงวิปัติสูตรที่10จบ